สาสิบเจดจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นวงเล็บเปิดหนึ่งสิบหพฤศจิกายน25งพหในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสี่บสองวงเล็บปิดจิตฟุ้งซ่านหรือสงบนี้ไม่ใช่เครื่องวัดว่าภาวนาดีหรือไม่ดีจิตฟุ้งซ่านแล้วไม่พอใจและไปกดเอาไว้นี่ไม่ดีจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องทําอะไรกับมันสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตเป็นกุศลนะแล้วก็ประคองเอาไว้รักษาเอาไว้ อยากให้คุศสอยู่นานๆไม่ดีจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงจะดีวงเล็บเปิดสองสิกุมภาพันธ์สองพในวงเล็บสองจุดจุดนาที17จวงเล็บปิดจิตเราไม่ส่งนอกจิตเราไม่ส่งในจิตเราเป็นกลางๆไม่ประคองเอาไว้ตรงกลางด้วยรวมความแล้วจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆถ้าอยากหายให้รู้ว่าอยากหายไม่ต้องพยายามทําให้หาย ไม่ว่าสภาวะใดเกิดขึ้นถ้าเราไม่ชอบนะรู้ว่าไม่ชอบไม่ใช่ไปหาทางทําลายมันฉะนั้นอย่างตอนนี้จิตไปติดล็อกรู้ว่าล็อกอยู่อยากหายรู้ว่าอยากหายไม่ต้องไปหาทางทำให้หายหายก็ช่างไม่หายก็ช่างเรื่องของแกท่องเอาไว้นะเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันไปท่องนะนี่เป็นคาถา